งานหนังสือ here and hereafter โลกนี้และโลกหน้าหรือในฉบับแปลเป็นไทยในชื่อว่าโลกทิพย์ภาคสามคำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดที่ต้องประสบในชีวิตหลังความตายโดยนักบวชและนักเขียนต่างชาติต่างศาสนาแต่กลับอธิบายหลักสําคัญหลายเรื่องได้ตรงกับหลักกรรมและคําสอนในพระไตรปิฎกซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทําให้มั่นใจขึ้นว่าบาปบุญเวรกรรมภพชาติมีจริง ตายล้วไม่สูญได้เข้าใจภาวะขณะตายและสภาพชีวิตหลังความตายที่จะทําให้ไม่กลัวไม่ทุกข์กังวลกับความตายของตนหรือของคนอื่นได้มีเวลาเตรียมพร้อมเพื่อสะสมกุศลให้ถูกทางก่อนหมดโอกาสเยาวันสุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนการศึกษาเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจระดับหนึ่งจะช่วยบรรเทาทุกข์ได้มากโดยเฉพาะสําหรับคนที่กําลังป่วยภาวะรอความตายหรือมีญาติพี่น้องเพิ่งตาย หรือแม้แต่ที่คิดว่าอีกนานกว่าจะตายก็จะได้มีเวลาแก้ไขพัฒนาจิตของตนจะรู้สึกทุกข์น้อยลงกับสารพัดปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตด้วยเห็นชัดตามจริงว่าสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้สารพัดเรื่องในชีวิตจะกลายดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนละครฉากหนึ่งเมื่อเทียบกับสังสารวัรอันยาวไกลอันประมาณไม่ได้ที่เวลาที่เหลือในชีวิตยังอาจมีมากพอจะสะสมกุศ ล, ลจิต ละความยึดติดในสุขจอมปลอมเพื่อสุขอันประณีตกว่าหลายเท่าหรือไปถึงความสิ้นทุกข์กันได้จริงซึ่งท่านย้ำมากนะครับว่าคนตายจํานวนมากไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจตอนเป็นมนุษย์เมื่อตายจึงเกิดมิจฉาทิฐิรุนแรงที่แก้ไขได้ยากมากและต้องทนทุกข์กับสภาพที่ตนเองปรุงแต่งขึ้นมาเองอย่างที่ยากจะแนะนําให้เปลี่ยนความคิดได้ถ้าพยายามเข้าใจตอนเป็นมนุษย์จะเกิดผลดีมากกว่า ซึ่งเรื่องนี้มีพุทธพจน์รัดไว้ชัดนะครับว่าคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูญไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงเป็นมิจฉาทิฏฐิบรรลุธรรมไม่ได้ไปสุคติไม่ได้จึงควรใส่ใจหลักสําคัญนี้ด้วยเพราะมนุษย์เป็นภพเดียวที่ทําบุญและศึกษาธรร ม, มะได้ดีที่สุดท่านที่บอกว่าศาสนาพุทธไม่ให้สนใจเพราะไม่ใช่ทางดับทุกข์โปรดฟังจากหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงที่รวบรวมหลักฐานจากพระไตรปิฎกมาโดยละเอียด แสดงถึงความสําคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่หลายแห่งและเชื่อมโยงกับหลักธรรมสำคัญจนเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจเช่นกันแต่กวรรู้แค่ไหนรู้อย่างไรให้เกิดประโยชน์จริงเท่านั้นหลายท่านชอบอ้างกรณีคนเชื่อเรื่องพบชาติแล้วฆ่าตัวตายหรือหลงผิดเป็นงมงายไป น, นั้นขอให้เข้าใจนะครับว่าที่ส่งผลเสียกับเขานั้นก็เพราะเขาไม่ศึกษาให้เข้าใจให้ถูกต้องตรงหลักจริงก่อน แค่เชื่อว่ามีจริงแต่ไม่รู้ว่ามีจริงแค่ไหนยังไรจึงนึกคาดเดาไปเองหรือเชื่อตามกันมาว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จึงหลงทางเสียคนไปแบบนั้นการศึกษาเรื่องนี้ในแบบที่ถูกทางจึงเกิดผลดีมากกว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคล้ายวิธีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลเสียจะเกิดได้มากหากไม่อ่านคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนซึ่งทั้งนี้ก็อาจมีบางกรณีที่ศึกษาทางที่ถูกแล้ว แต่ก็ยังหลงผิดเพราะความฉลาดน้อยหรือดื้อรั้นเลือกเชื่อและตีความไปในแนวที่ถูกกับความคิดของตนซึ่งนี้เป็นคนจำนวนน้อยที่ต่อให้ไม่ได้มาสนใจศึกษาในทางที่ถูกเขาก็จะเชื่องมงานจนเกิดผลเสียต่อ ต, ตัวเขาเองได้อยู่ดีจึงไม่ควรเหมารวมคนส่วนน้อยบางจำพวกที่เป็นข้อยกเว้นมาเป็นหลักเพื่อใ้กับคนหมู่มากจนทําไม่ลาเลยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขานะครับส่วนตัวผมเองเห็นชัดนะครับว่า การศึกษาเรื่องแนวนี้ในทางที่ถูกทําให้เข้าใจหลักกรรมและหลักปฏิจจสมุปบาทชัดเจนขึ้นมากมีผลดีต่อการละศักยาตทิฏฐิและศิลปัตปรามาศศรัทธาตั้งมั่นในกรรมดีทําให้มีความเพียรในการเจริญสติเห็นไตรลักษณ์ได้ชัดขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นซึ่งส่งผลดีอีกมากจนเกินกว่าใครจะมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์เท่าที่ได้ศึกษามาหลายแนวก็เชื่อว่าการศึกษาเรื่องภพชาติ แนวที่อาจารย์พรนำเสนอนั้นถือเป็นการศึกษาธรรมในระดับรากฐานที่เข้าใจง่ายที่สุดแนวหนึ่งสำหรับคนทั่วไปเพราะปกติเรื่องพวกนี้คนทั่วไปโดยเฉพาะวัยรุ่นเขาก็สนใจกันอยู่แล้วจึงง่ายต่อการศึกษากว่าการสอนธรรมะในแบบที่บางกลุ่มเห็นว่าดีแต่แลดูยากเกินคนธรรมดาจะเอื้อมถึงแค่พูดถึงธรรมะก็เบื่อนหน้าหนีปิดใจไม่อยากฟังไม่อยากสนใจกันแล้ว เนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นภาคอธิบายขยายความโดยละเอียดต่อจากเรื่อง Life in the World unseen หรือโลกทิพย์ภาคหนึ่งโดย Mr. a n ต h o n y b o โ g นีบอร์เจียผ่านคำบอกของวิญญาณท่านโรเบ r ร์ตอิวเบนแปลโดยอาจารย์ศิริพุทธสุขพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติ ม, ตมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและการทำสมาธิวิปัสนาที่จะทำให้เข้าใจตรงธรรมมากขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์จริง ควรฟังหรืออ่านเรื่อง Life in the World unseen หรือโลกทิ่ภาคหนึ่งก่อนเท่านั้นเพื่อเข้าใจที่มาและสิ่งที่เกี่ยวข้องครบถ้วนให้ครบทุกแง่ทุกมุมในเบื้องต้นก่อนจึงจะทำให้อ่านหรือฟังในภาคสามนี้เข้าใจได้ตรงและดียิ่งขึ้นนะครับแต่เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดสำหรับท่านที่ไม่ได้อ่านภาคหนึ่งมาก่อนขอสรุปคร่าวๆ เ, เกี่ยวกับที่มาของหนังสือชุดนี้อีกครั้งนะครับหนังสือชุดนี้เป็นการติดต่อทางสมาธิ ที่นักบวชชาวคริสต์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้มาติดต่อเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เคยสั่งสอนสาธุชนและเขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาเวผิดจากความเป็นจริงและสิ่งที่ท่านเล่านั้นมีรายละเอียดหลายอย่างตรงกับคำพีพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดโดยที่หลายเรื่องขัดแย้งกับคําสอนทางศาสนาของท่านโดยสิ้นเชิงโอปปปาติกะคือกำเนิดหนึ่งในสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เป็นประเภทกายทิพย์ได้แก่สันนรกเปรตเทวดาพรหมเป็นต้นซึ่งมีหลายชั้นหลายภูมิแยกย่อยไปตามกิเลสตันหาอุปาทานจึงต้องเข้าใจว่าแม้จะชื่อว่าเป็นเทวดาก็มีความรู้จำกัดอยู่แค่ในภูมิของตนหรือไม่เกินภูมิของตนสภาพในหนังสือที่ท่านเล่านั้นยังเป็นเพียงสวัรค์ชั้นต้นๆเป็นพบเฉพาะคนที่ยังมีความยึดติดในบางสิ่งคล้ายกัน เช่นความพอใจในพิธีกรรมทางศาสนาที่เคยนับถือจึงได้เกิดภพภูมิเฉพาะให้ท่านไปรวมกลุ่มกันเหมือนการแยกกันอยู่เป็นท้องถิ่นหนึ่งมีสภาพแวดล้อมและศาสนาสถานในแบบที่เคยพอใจไว้ทำกิจกรรมร่วมกันในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยนั้นจะเห็นว่าอาจแตกต่างจากคำบอกเล่าของชาติอื่นพอสมควรเพราะบุญให้ผลเป็นสุขและสิ่งที่ให้ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จึงต้องมีสภาพแตกต่างกันโดยเฉพาะในภพที่ยังมีอุปาทานเหนียวแน่นซึ่งสวรรค์ชั้นต้นๆที่ยังมีความหยาบอยู่มากนั้นจะมีความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับมนุษย์ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เล่าบางครั้งก็คล้ายคนป่าได้มาเที่ยวในเมืองที่ทันสมัยครั้งแรกแน่นอนว่าจะอธิบายได้ตรงหลักแท้ในเชิงลึกได้ไม่ตรงนักจึงเล่าตามที่ตนเข้าใจหรือพอจะเปรียบเทียบได้เท่านั้น คนสองคนไปที่เดียวกันแต่อาจกลับมาเล่าแตกต่างกันได้เป็นธรรมดาจึงต้องพึ่งผู้รู้จริงมาอธิบายเพิ่มเติมอย่างหลายตอนในหนังสือนี้ท่านเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นเมื่อได้เจอสิ่งที่หาคำอธิบายไม่ได้เช่นพลังงานรอบตัวที่ให้ความรู้สึกสดชื่นท่านก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ในกรณีนี้ก็ขอให้รู้ว่าท่านเล่าไปตามความเชื่อของท่าน เป็นการคาดเดาด้วยความรู้ที่ยังจำกัดจึงไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อที่ท่านเล่าไปทั้งหมดแต่สิ่งที่เราควรใส่ใจในการอ่านหนังสือเล่มนี้คือหลักสําคัญที่ตรงกับหลักในพระไตรปิฎกเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เห็นว่าศา ส, สนาอื่นไม่เคยสอนแบบนี้แต่ทําไมหลายอย่างท่านเราตรงกับหลักของพุทธศาสนาซึ่งในภาคสานี้อาจารย์พรท่านอธิบายเสริมไว้ในหลายตอนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในหลายประเด็นไว้แล้ว ยังเมื่อควรกลับไปฟังในภาคหนึ่งให้จบก่อนมาฟังเรื่องนี้จะดีที่สุดนะครับหนังสือชุดนี้มีสามภาคสำหรับภาคสองนั้นขอข้ามไปไม่จัดทำเป็นเสียงอ่านเพราะดูเนื้อหาไม่ค่อยแตกต่างจากภาคหนึ่งซึ่งในภาคสมท่านอธิบายเนื้อหาหลังความตายโดยละเอียดขึ้นกว่าอีกหลายเท่าและยังมีหนังสือที่ทางสานักค้นคว้าทางวิ ญ, ญญาณจัดรวมเป็นชุดเดียวกันนับเป็นภาคที่สชื่อเรื่อง The Life Beyond Death เขียนโดยนักปฏิบัติสมาธิชาวอินเดียผู้มีชื่อเสียงในหมู่ผู้สนใจทางด้านจิตในระดับโลกซึ่งอธิบายในแบบวิชาการเชิงลึกโดยละเอียดขึ้นอีกมากแต่ใจความสำคัญกลับมาตรงหลักกรรมตามพระไตรปิฎกฝ่ายเทราวาดนับเป็นหนังสือที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งซึ่งชมรมผลดีจะจัดทาเป็นเสียงอ่านต่อไปเพื่อให้ได้ศึกษาเนื้อหาไปตามลาดับท่านผู้สนใจโปรดติดตามเร็วนี้นะครับ สำหรับการศึกษาเรื่องโลกหลังความตายในชุดโลกทิพนี้หรือหนังสืออื่นก็ตามแนะนําว่าหากเจอเนื้อหาที่รู้สึกขัดแย้งกับความรู้สึกหรือไม่น่าเชื่อหรือไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรก็ตามขอให้อุดทนฟังให้จบก่อนแล้วค่อยประมวลผลอีกครั้งบางทีจะได้คำตอบที่ท่านสงสัยหรือคลายความขัดแย้งในใจลงได้แต่หากยังมีจุดที่ไม่ลงใจก็ให้เลือกแต่ส่วนที่พอจะเข้าใจหรือเป็นประโยชน์กับตัวท่านที่สุดไว้ก่อน และค่อยหาเวลาศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชุดอื่นซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับที่จะมีภูมิจิตภูมิธรรมจนเข้าใจอะไรได้จริงข้อสำคัญก็คือตราบใดที่ทานศีลภาวนายังพร่องหรือยังไม่มากพอจะไม่มีทางที่เราจะเข้าใจธรรมะได้จริงเลยดังนั้นจึงต้องสารวจด้วยว่าท่านมีบา ร, รมีสมด้านนี้ครบถ้วนดีพร้อมพอหรือยังด้วย ควรพยายามทําให้เต็มสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดเมื่อสภาพจิต ด, ดีพร้อมพอเท่านั้นจึงจะเข้าใจธรรมะได้จริงและลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนะครับบันทึกเสียงอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตสุเมศคุ้มวงศรติพรวัฒนาการค้าดีเจ้าภาพรองครอบครัวอิมวงศรีวิจยาดามุงวิชาครอบครัวทรงพลทวีช่างพินิษชนวัตเจียมบุญประเสริฐ ร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากรรมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันสัพพะทานังธรรมทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเผยพระต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้านตัดต่อแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต